Thank you. สักครู่เราได้สวดบทที่ชื่อว่าเทวทูตสุตตปัสสก็คือคําสอนเกี่ยวกับเทวทูตนะประโยคแรกก็บอกว่าเนี่ยบุคคลใด เ, เมื่อถูกเทวทูตทั้งหลายตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่บุคคลนั้นย่อมเกิดในกําเนิดที่เลวหรืออบาย เกิในนรกประสบทุกโศกสิ้นกาลนานได้สวนแล้วเนี่ยนะลองพิจารณาบ้างก็ดีนะพวกเราเนี่ยจืนในที่นี้เนี่ยนะเทวทูตเตือนแล้วเนี่ยยังประมาทอยู่หรือเปล่าลองถามตัวเราเองดูหลายคนฟังแล้วก็ยังงงนะถูกเทวทูตเตือนตั้งแต่เมื่อไหร่ถูกเตือนมานานแล้วนะ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 เทวทูตเหล่านี้มาเตือนเราแล้วเนี่ยนะถามตัวเองว่าเราประมาทอยู่หรือเปล่าหลายคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่านะั่นคือเทวทูตนะก็เลยยังประมาทต่อไปประมาทต่อไปไหมายความว่าไงก็ามายความยังลุ่มหลงนะอยู่ในความสนุกสนานยังเพลินกับการกินการเที่ยวการเสพหรือว่าเพลินในความเป็นหนุ่มเป็นสาวน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 มันก็ฆ่าคุณป้าคนนั้นเนี่ยในที่สุดมันเลงไม่ได้ฆ่านะแต่ความหลงความจมอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอกุศล น, นี่แหละที่มันฆ่านะคนบางคนนี่หมอบอกว่าอยู่สามเดือนแต่อยู่ได้สามปีก็มีแม้วจะเป็นมะเร็งตับนะเพราะเขาไม่ปรุงแต่งรักใจรักษาไว้ได้ดีเพราะอะไรพอมีสตนะิเพราะมีการภาวนามันฝึก ทำสมาธิให้จิตสงบไม่ปรุงแต่งให้มันชวนให้วิตกเกินเหตุอยู่กับปัจจุบันนะไม่หลงเข้าไปในความคิดนะจผู้ใหญ่ก็ส่วนใหญ่ตายเลยเพราะมันพหลงอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะคนเราเนี่ยนะมันมีอยู่สองโหมดนะเวลาตื่นนะก็คือรู้กับหลงส่วนใหญ่เนี่ยรู้ว่าน้อยนะหลงเยอะ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 ไม่เสียหายอลไเท่าไหร่แต่พ่อชอบปล่อยใจหลงแบบนี้แหละพอมันจะคิดไปอีกด้านหนึ่งนะคิดไปในทางเรียลไลนนะก็ห้ามไม่อยู่นะคนที่เพลินในฝันกลางวันเนี่ยนะพอมันฝันไลายมันก็หลงเข้าไปเหมือนกันนะมันก็จะหลุดเข้าไปในฝันไลายยิ่งลงยิ่งเพลินในฝันกลางวันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งหลงติดหลุดเข้าไปในฝันไลายได้ง่ายเท่านั้นมันเป็นเรื่องเดียวกัน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 ความระลึกได้เนี่ยมันก็มีสองแบบนะเช่นระลึกได้ว่าเมื่อวานเนี่ยตามาพูดว่าอะไรนะจาได้ไั้ยเมื่อเช้าเนี่ยตามาพูดอะไรนะบาคนก็ลืมแล้วนะลืมไปแล้วว่าตามาพูดเรื่องท้องอิ่มจึงบรรลุธรรมเนี่ยลืมไปลวเมื่อวานนี้ก็พูดเรื่องอะไรนะหรือเมื่อวานนี้กินอะไรเมื่อเช้า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 อยู่ที่วันนี้ก็ต้องอาศสตินะเช่นจําได้ว่ากุฏิเบอร์อะไรนะห้องพักเบอร์อะไรระลึกได้อย่างหนึง่งคือระลึกถึ่งสิ่งที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันเช่นกําลังสร้างจังหวะอยู่ใจมันลอยหลงเข้าไปในความเพลินหลงเข้าไปในความวิเศษนึกขึ้นมาได้ว่าเรากําลังสร้างจังหวะหรือนึกขึ้นมาได้ว่าเรากําลัง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 ไม่ทานจะด่าก็หยุดนะหรือว่ากำลังเดินอยู่บนกำลังเดินมาที่หอไตหรือว่ากำลังจะเดินกลับไปกุฏิกลางคืนอกลางวันดีกว่านะตอนเย็นๆเนี่ยใจลอยนะไม่เห็นหอยทาข้างหน้าเกือบจะเหยียบแล้วนะนึกขึ้นมาได้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 ดอกไม่มีสองสีนะก็คือเหลืองกับแดงเจ้าตัวเนี่ยใส่แจกกันเหลืองก็ใส่แจกกันหนึ่งแดงก็ใส่แจกันหนึ่งมาให้ยา่าอุ้ยย่าก็ดีใจขอบคุณหลานใหญ่แต่พอหลานไม่อยู่เนี่ยย่าก็เห็นว่าดอกไม้สองสีเนี่ยมันน่าจะปนกันนะก็เอาเหลืองมาใส่แจกกันแดงเอาแดงมาใส่แจกกันเหลืองเสร็จแล้วย่าก็ไปทําธุระหลานกลับมาเห็นนะไม่พอใจนะ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 อ่าให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ไม่ยอมนะเจอหลานเจอลูกนี่ทําไงนะโอ้โหแม่จะทําให้ก็ไม่ยอมนะจะให้ยากยากกลับมาแล้วค่อยบอกย่าให้ทําก็ไม่เอาแม่หลายคนก็ทนไม่ไหวนะด่าเลยหรือไม่ก็เบึ้กเลยนะแต่แม่คนนี้เนี่ยแกใจเย็นนะก็เลยพูดกับลูกว่าตอนนี้ลูกลกโกรธย่าใช่ไหม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 อันนี้มันเห็นเลยนะว่าความโกรธเนี่ยความมีสติรู้ทันเนี่ยมันช่วยได้แลคุณนาแกก็ไปเล่าเรื่องนี้นะให้ในในที่ประชุมผู้ปกครองนะมีผู้ปกคชองคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะแกมีปัญหากับลูกนะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันหรอกแต่ลูกเนี่ยนะอายุประมาณสี่ขวบเหมือนกันลูกชายเนี่ยเป็นคนที่กลัวโปะกลัวโปะมากเลยโปะที่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 แลใจเป็นไงหัวใจมันหนักมากเลยพ่อสนะักพักนี้นะเด็กก็เด็กก็นิ่งแล้วจูบๆนะเด๋ยกก็ปล่อยมือเพราะเด็กก็ปล่อยมือที่กอดพ่อนะแล้วก็ลงมาวิ่งเล่นอยู่รอบโป๊ะจับเด็กที่กลัวโปนะมันกลายเป็นหายกลัวไปเลยพ่อนีอ่ประหลาดใจมากเอความกลัวมันหายไปง่ายมากเลยเพียงแค่ให้เด็กได้เห็นความกลัวของตัวนะ